ทรงอนุญาตเนยใสพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้เป็นไข้ออกปากคอเนยใสมาชันได้แล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้